ต่อไปนี้จะขอนาเอาพุทธพจน์บางแห่งเกี่ยวกับกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมมาแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในนิเพธิกสูตรอังคุตรนิกายฉักกนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพึงทราบกรรมพึงทราบเหตุเกิดแห่งกรรมพึงทราบความแตกต่างแห่งกรรมพึงทราบวิบากแห่งกรรม พึงทราบความดับแห่งกรรมพึงทราบข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายเจตนาเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉไหนผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลายเป็นไฉไหน คือกรรมที่เสวยผลในนรกก็มีกรรมที่เสวยผลในกำเนิดดิรัจฉานก็มีกรรมที่เสวยผลในแดนเปรตก็มีกรรมที่เสวยผลในโลกมนุษย์ก็มีกรรมที่เสวยผลในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลายวิบากแห่งกรรมเป็นฉนหนเรากล่าวถึงวิบากแห่งกรรมว่ามีสามอย่าง คือวิบากในปัจจุบันหรือในที่อุบัติหรือในเบื้องต่อต่อไปนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นไนเพราะผัสษาดับกรรมก็ดับมันคามีองค์8ประการอันประเสริฐนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมกล่าวคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาส ม, มาธิภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมอย่างนี้เมื่อนั้นเธอย่อมรู้ชัดซึ่งชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์อันทรงปัญญาเฉียบคมซึ่งเป็นที่ดับแห่งกรรมนี้ในกรรมสูตร สังยุตานิกายสลายตนวั์พระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกรรมใหม่กรรมเก่าความดับกรรมและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมกรรมเก่าเป็นไนตาหูจมูกลิ้นกายใจพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าซึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเกิดจากเจตจำนงเป็นที่เสวยเวทนานี้เรียกว่า กรรมเก่าพิสุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นไฉนกรรมที่บุคคลกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในบัดนี้เรียกว่ากรรมใหม่ภิกษุทั้งหลายความดับกรรมเป็นไฉนาภาวะที่สัมผัสวิมุตติพระความดับไปแห่งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเรียกว่าความดับกรรมภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมเป็นไนได้แก่มันคามีองค์8ปประการอันประเสริฐนี้เองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี้เรียกว่าข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมในนตุมหากังสูตรสั่งยุตนิกายนิธานวักพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอและก็ไม่ใช่ของใครอื่นเพิ่งเห็นว่าเป็นกรรมเก่าซึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเกิดจากเจตจำนงเป็นที่เสวยเวทนาในนิทานสูตรเทวทูตวัคที่สปฐมปันนาตังคุตรนิกายติ ก, กนิบาศพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้ คือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมกรรมที่ทำเพราะโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นต้นเหตุมีโลภะเป็นที่ก่อตัวขึ้นย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของบุคคลนั้นเกิดขึ้นกรรมนั้นให้ผลในที่ใดเขาย่อมเสวยผลของกรรมนั้นในที่นั้นจะเป็นในปัจจุบันหรือในที่อุบัติหรือในเบื้องต่อๆไปก็ตาม กรรมที่ทำเพราะโทสะกรรมที่ทำเพราะโมหะก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้คืออโลภะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิ ด, ก, ดกรรมกรรมใดที่ทำเพราะอะโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นต้นเหตุมีอโลภะเป็นที่ก่อตัวขึ้นเมื่อปราศจากโลภะแล้ว กรรมนั้นก็เป็นอันถูกละหมดไปมีมูลขาดแล้วถูกทำให้เหมือนตานยอดด้วนถูกทำให้ไม่มีเหลือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปกรรมที่ทำเพราะอาโทสะกรรมที่ทำเพราะอาโมหะก็เช่นเดียวกันในนิทานสูตรที่หนึ่งสโธทิวัตที่หนึ่งตัทยปัญนาตอังคุตรณนิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้คือโลภโทสะโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมกรรมใดที่ทำเพราะโลภเกิดจากโลภมีโลภเป็นต้นเหตุมีโลภเป็นที่ก่อตัวขึ้นกรรมนั้นเป็นอกุศลมีโทษมีทุกข์เป็นวิบากกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรม ไม่เป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรมกรรมใดที่ทำเพราะโทสะกรรมใดที่ทำเพราะโมหะก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้คืออโลภะอโทส ะ, อ โ, ทะอโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมกรรมใดที่ทำเพราะโอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นต้นเหตุมีอโลภะเป็นที่ก่อตัวขึ้น กรรมนั้นเป็นกุศลไม่มีโทษมีสุขเป็นวิบากกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรมไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมกรรมใดที่ทำเพราะอาโทสะกรรมใดที่ทำเพราะอะโมหะก็เช่นเดียวกันในติวิทัูตรอังคุตรรนิกายทัศกนิบาศพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปานาติบา เรากล่าวว่ามีสามอย่างคือมีโลภะเป็นเหตุก็มีมีโทสะเป็นเหตุก็มีมีโมหะเป็นเหตุก็มีแม้อธินนาทานกาเมสุมิจฉาจาร์มุสาวาตปิสุนาวาจาภรุสวาจาสัมผับปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิเราก็กล่าวว่ามีสามอย่างคือ มีโลภะเป็นเหตุก็มีมีโทสะเป็นเหตุก็มีมีโมหะเป็นเหตุก็มีโดยนัยยะดังนี้แหลโลภะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมโทสะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมโมหะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมเพราะสิ้นโลภะก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรมเพราะสิ้นโทสะก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรมเพราะสิ้นโมหะ ก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรมในกุกโกโรวาตสูตรมาจิมนิกายมชจิมปัญนาตครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นโกริยะมีคนสองคนไปเข้าเฝ้าคนหนึ่งชื่อปุณณนะบุตรแห่งโกริยะประพฤติวัดดังโคอีกคนหนึ่งเป็นจีปเปลือยชื่อเสนิยะประพฤติวัดดังสุนัขปุณณะได้ทูลถามว่าเสนิยะ ผู้ประพฤติวัดดังสุนักมีคติเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสห้ามว่าอย่าถามเลยแต่ก็ยังถามย้ำถึงสามครั้งจึงตรัสตอบว่าถ้าประพฤติเคยชินอย่างสุนักตายไปก็เกิดเป็นสุนักถ้าคิดว่าจะเป็นเทวดาด้วยข้อวัดอย่างนี้นับว่ามีความเห็นผิดเสนยะฟังแล้วร้องไห้จึงถามถึงคติของปุณณะบ้าง พระศาสดาตรัสห้ามว่าอย่าถามเลยแต่ก็ยังถามย้ำถึงสามครั้งจึงตรัสตอบว่าถ้าประพฤติเคยชินอย่างโคตายไปก็เกิดเป็นโคถ้าคิดว่าจะเป็นเทวดาด้วยข้อวัดอย่างนี้นับว่ามีความเห็นผิดปุณณะฟังแล้วก็ร้องไห้เช่นกันแล้วทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมเพื่อเขาทั้งสองจะได้ละการประพฤติวัดดังกล่าวเสีย พระศาสดาจึงตรัสว่าดูกระปุลนากรรมสี่อย่างนี้เราประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้กล่าวคือกรรมดามีวิบากดําก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มีกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีดูกะปุณณนะกรรมดำํามีวิบากดําเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนครั้นแล้วก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนปัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนนั้น เขาถูกผัสสะที่มีการเบียดเบียนถูกต้องย่อมได้สเสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนซึ่งเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นสัตว์นรกโดยนัยดังนี้แหลเพราะกรรมได้มีแล้วจึงมีการอุบัติของสัตว์เขาทำกรรมใดก็อุบัติเพราะกรรมนั้นเขาอุบัติแล้วก็ถูกผัสสะต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทของกรรมนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดำดูกระปุลณนะกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นไฉบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่ไม่มีการเบียดเบียนครั้นแล้วก็เข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน ผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนถูกต้องย่อมได้เสวยเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพชั้นสุภกินหะโดยนัยะดังนี้แหลเพราะกรรมได้มีแล้วจึงมีการอุบัติของสัตว์เขาทากรรมใดก็อุบัติเพราะกรรมนั้น เขาอุบัติแล้วก็ถูกผัดสะต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทของกรรมนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวดูกร ะ, ระปุล น, นะกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างครั้นแล้วก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างนั้นเขาถูกผัสสะที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างถูกต้องย่อมได้เสวยเบทนาที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์รักคนกันดังเช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกและสัตว์มินิบาตบางพวกโดยนัยดังนี้แหลเพราะกรรมได้มีแล้วจึงมีการอุบัติของสัตว์เขาทำกรรมใดก็อุบัติเพราะกรรมนั้นเขาอุบัติแล้วก็ถูกผดสะนั้นต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทของกรรม นี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวดูกระปุ่นนะักรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไฉนะในบรรดากรรมสามประการนั้นเจตนาเพื่อละกรรมดำมีวิบากดำเจตนาเพื่อละกรรมขาวมีวิบากขาว เจตนาเพื่อละกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมในกรรมวัคที่สี่อังคุตรนิการจะตกนิบาศพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูกราพิสุท์ทั้งหลายก ร, รมสี่อย่างนี้กรรมดำมีวิบากดำเป็นไฉไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำปานาธิบาตเป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่ากรมดำมีวิบากดำดูกราพิสูจ์ทั้งหลายกมขาวมีวิบากขาวเป็นชไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตจากอาทินนาทานจากกาเมสุมิชฉาจารจากมุสาวาตจากการดื่มสุราและเมะรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่ากรรำขาวมีวิบากขาวดูกราพิสุทธทั้งหลายกรำทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้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 นี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างนี้กรรมดำมีวิบากดำเป็นชะไหนกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นชะไหนกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นชะไหนกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไนได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิพิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างนี้กรรมดำมีวิบากดำเป็นไนกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นไนกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นไนกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นฉไหนได้แก่สติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัตถิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงในขยสูตรสังยุตติกายมหาวาระวัชท่านพระอุทายีได้ทูลถามว่าโพชงเจ็ดอันบุคคลจเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตันหาพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูกระอุธายีภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเริญนสติสัมโพชงเป็นต้นจนถึงอุเบขาสัมโพชงที่อิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธอันภัยบู์เป็นมหรคตเป็นมหคตตหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียน เมื่อเธอจเจริญสติสัมโพชงเป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชงตันหาก็ถูกละหมดไปเพราะละตันหากรรำก็ถูกละหมดไปเพราะละกรรมทุกก็ถูกละหมดไปโดยนัยยะดังนี้แลเพราะสิ้นตันหาก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุก